ว่าาฟินีในสัมไม่และอาฟินีในบัตทรีสุบฮานุลลาห์และบิ ل ัมดีฮีอัลเดดัคลัลกีฮีวาริดาเนฟซีฮีวอซินะต้าร์ชีฮีวามิดาดัคลิมัตีฮี س ا م อัลัยคุมมาระห์มุลลาห์และบาราคาพี่น้องที่ร่วมนมาซุบฮ์ที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลานะครับ ให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาคำคำนี้เป็นคำที่อัลลอ์ประทานลงมาจากชันฟา้าชันที่เจ็ดมามอบให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลันอวลฮสุลลัมให้ท่านนาบีมาสอนบอกว่าการขอบคุณอัลลอ์ที่ดีที่สุดให้กล่าวคำนี้อัลฮัมดุลิลล่นะครับอัลฮัมดุลิลล์ละการชกรว่าและการฮัมดุการสรรเสริญเป็นของอัลลอ์ และการขอบคุณทุกรายการเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราหลับไปเมื่อคืนนี้บางคนนอนไม่หลับถ้านอนไม่หลับให้อ่านดูานะนอนไม่หลับให้อ่านดูานอนไม่หลับให้ลูกขึ้นมานามาฮนะครับมาทำนามาดไม่ถึงสองเราก็อัดรอกแค่นึกจะนามาดมันก็จะหลับแล้วเพราะอิทธิพลชัยทอน ฉะนั้นให้อ่านดุอาอ่านดุอาบทนี้อัลลอฮุมมารอรอติมูจุมวาฮดาอัติลอายุนอันตะฮายุนกอยุมลาตักฮุฮุสินะตุวาลานามวาฮดิไลลีวาอานิมานีนี่เป็นดุอาที่ท่านอาีารสอนแต่หาใครที่นอนไม่หลับนอนไม่หลับให้อ่านดุอาบทนี้แต่ผมอ่านทุกคืน ผมชอบอ่านทุกคืนไปการอ่านตามท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อห์นวอสสลามนะครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่เระหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมานีบเป็นป๊ะประสงค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาหูาวาตาลาอัลลอฮ์ให้เรามีความคิดอิสระแต่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยอิสระที่จะปฏิบัติตามนบีไม่ใช่อิสระที่จะขวางกับนบีไม่ใช่นะพยายามคิด อิสระเนี่ยที่อัลลอ์ให้เนี่ยเขาเรียกว่าฟรีทิงกิ้งเนี่ยนะครับต้องเอาฟรีทิงกิเราเนี่ยคิดที่จะเรียนสุนนะท่านนาบีปฏิบัติตามสุนนะท่านนาบีก่อนจะตายไปน้องนะครับก่อนตายให้คิดสามเรื่องพอแล้วอัลลอ์สอนนะนบีสอนคิดสามเรื่องนี่พอแล้วหนึ่งหาเงินหาฮิสกีแบบไหนที่ได้มาแล้วเอาไว้บริจาคในคุทางของอัลลอ์ เรื่องที่หนึ่งเปน้องสอนรอบกตุนยาดิยาตุนคิดเรื่องหาทฤสกีที่ฮาลาลเมื่อหามาแล้วเนี่ยมันจะเอามาเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บให้บริจาคบริจาคบริจาคเรื่องที่สองอิลมุนยุนตะฟะอุมตฮีให้หาความรู้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยเราแก่แล้วอายุหกสิบขึ้นแล้วเนี่ยคิดอะไรวันวันหนึ่ง หาเงินก็หาพี่น้องแต่หามาเพื่อบริจาคแล้วก็หาความรู้อินมูนยุนตเฟะความรู้ที่มีประโยชน์ฉะนั้นความรู้ที่มีประโยชน์ผมขอแนะนำนะให้เรียนคุรานเรียนตัปซีคุรานเนี่ยดีที่สุดพี่น้องแล้วก็เรียนสุนนะอนับีฮะดีสของท่านอบีเช่นอิมางบุคารีเนี่ยไปซื้อหนังสือมานะครับหรือก็แปลเป็นภาษาไทยหมดแล้ววันนี้อิมา ม, มุสลิมซื้อมานี่แหละ ก่อนที่จะตายเนี่ยหาความรู้ที่เป็นสุนานนบีและนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องที่สามคิดเรื่องลูกลูกต้องพยายามให้ลูกของเรานั้นปั้นลูกของเราให้เป็นลูกที่ไม่ต้องเป็นคนเก่งเอาเป็นคนดีดีกว่าเพราะเป้าหมายที่ท่านนาบีสอนวาลดุนซอลิฮุนลูกที่สอนและหมายถึงลูกที่เป็นคนดีไม่ใช่ลูกเก่ง นะครับดันั้นเราคิดเรือ่องดีก่อนอย่าคิดเรื่องเก่งเก่งมาที่หลังครับเอาดีไว้ก่อนลูกทีดีเนี่ยช่วยได้ไหมช่วยพ่อช่วยแม่ตอนตายเนี่ยขอดูอาให้อัลลอฮฺหุบ อ, อัลบาตมันา่ารักจริงๆรหนึ่งแสวงหาทิศกีของอัลลอฮฺได้มาเท่าทะไรพี่น้องเํามาบริจาคบริจาคบริจาคบริจาคสองตอนนี้ยังแข็งแรงดี เรียนความรู้ที่มาจากอัลกุรอานแล้วก็เรียนความรู้ที่ผ่านซุนนะนบีนะครับให้เยอะที่สุดอันที่สามปั้นลูกของเราหรือหลานของเราให้เป็นลูกที่ซอเละลูกคนดีนะไม่ใช่ลูกคนเก่งเอาดีไว้ก่อนเพราะว่าถ้าลูกที่ซอเละเนี่ยประโยชน์ก็คือย่าเดาละหูขอดุกอาให้อัลลอฮอัลล ด้านคิดสามเรื่องพอก่อนที่จะอินนาลินแล้วจากโลกดุญยาไปนี้นะครับขอบคุณเราลอที่เราอ่านกูอ่านซูร์ออัลมุมินูนพี่น้องปีนี้เป็นปีที่ยี่สิบสามใช่ไหมท่านเฉริมยี่สิบสามก็ซูร์ล้อก็ยี่สิบสามซูร์ลอสายอินนาลินแล้วก่อนนะมูเห็น พี่น้องเอาละเรายังได้ชื่อว่าเราเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับศึกษาจนกว่าจะตายพี่น้องวันนี้มาถึงอายาที่หกสิบแปดนะครับพี่น้องครับเลาทำดีแ ล, ล้วอัลลอฮ์พี่น้องอายาที่แล้วมาเนี่ยพูดถึงว่าอัลลอฮ์นี่ได้ประทานนะครับอัลลอฮ์ได้ให้ท่านนาับีนเนี่มาสอนคุรานมาอ่านคุรานให้ให้ให ให้ท่านทั้งหลายฟังแต่ท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินแล้วก็หันส้นเท้ากลับเนี่อยอายะที่ผ่านมานะครับอยายะที่หกสิบหกหกสิบเจ็ดไปน้องให้คุณอ่าน ล, ลงมาแล้วไม่มีใครเรียนเลยไม่มีใครอ่านเลยไปน้องมีแต่กลุ่มเล็กๆเนี่ยนั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยเรียนคุณอ่านกันอยู่แต่กลุ่มใหญ่ๆอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่มีใครสนใจคุณอ่านเลยพี่น้องแล้วก็เอาเวลาเนี่ยกลางคืนไปทําอะไร ซาหมิรินซาหมิรอนทั้งเจ้าทั้งจุรุนมุสตะกบิรินะบิฮีซาหมิรอนทัจุรุนนีจากกุรอานแอนตี้อัลกุรอานหันห ล, ลังให้กัอัลกุรอานที่มาจากชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดนะไกลที่สุดนะคนที่สนใจก็มีแต่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจและเอาเวลาเนี่ ย, ปรรยไปทําอะไรพี่น้อง มุสตะบิรีนได้ยินกุณอ่านแล้วพวกเขาทําเป็นจองหองอวดดีนะครับทําเป็นจองหองแล้วก็อวดดีแล้วก็เอาเวลาไปทําอะไรไปน้องไปนั่งจับกลุ่มคุยกันไปจับกลุ่มคุยกันเล่านิยายเล่านิทานนะครับคนอาหรับมุสลิมทําทําแบบนี้แทนที่จะเรียนกุณอ่านสนใจกุณอ่าน แต่เอาเวลากลางคืนเนี่ยไปนั่งจับกลุ่มคุยกันที่คองเคสที่เคมีนะครับเด็กหนมๆลูกหลานเรานี่ยเราไปน้องพอกลางคืนเนี่ยจับกลุ่มคุยกันเรื่องไร้สาระตอนตีสองตีสามพ่อแม่ต้องรับผิดชอบเล า, าจะสอนในวันเกียรติ์ปล่อยลูกชายลูกสาวมานั่งอยู่ที่ปากซอยทําไมที่หนึ่งที่สองเนี่ยทำตัวเหมือนคนอาดับมุสริกที่ไม่มีศาสนากลางคืนเนี่ยนั่งอยู่ตามซอย คุยกั น, นเรื่องไร้สาระแครวัตรามีร้อนตายูรูนไม่นอนกลางคืนแต่มานั่งจับกลุ่มคุยกันข่าบาบ้างไหนขับบ้างกินเหล้าบ้างเต้นรำบ้างร้องเพลงบ้างนั่นแหละสภาพของคนไร้าศาสนาทั้งหมดนี่อลัลลอฮ์เป็นห่วงก็เล่าชีวิตของผู้ศรัทธาต่ออลัลลอฮ์ต้องต้องตรงกันข้ามไม่เหมือนกับคนฝั่งนู้นเรามันคนฝั่ ง, น, น, าา น, งนี้นะครับ อาต่อมาครับอายาที่หกสิบแปดนะครับอาวัลัมยาดับบารุลกาวลัมจัอาฮุมมาลัมยาติอาบะอาฮุมุลอาววไลนอาวัลัมยาดับบารุลกาวลัมก็ أ أ อัมจัอาหุมมัลลัมยะติอาบาห์มุลอาววไลนอัฮมดุลิะอัลยานี่ดีมากๆกับพี่นะ้องนี่คุยเรื่องมนุษย์หมดเลยนะมันจะคุยเรื่องเป็ดเรื่องไก่เลยคุยเรื่องของเราทั้งหมดพนะีน้องอาอาฟัลัมยา ด, ดับรูอัลกาวล U, ยัดดับ baru ่แปลว่าพิจารณาดับ b a r ยุดดับเบรูยัดดับ baru แปลว่าพิจารณาถ้าใส่อาฟาลัมอาแปลว่าหรือฟาลัมยัดดับ baru พวกเขามาถึงพวกปฏิเสธทั้งหลายคนที่หันหลังให้กับอัลกุรอานนะครับกุรอานที่ผ่านนบี ผ่านเิบรีลงมาจากชั้นฟ้าชั้นชั้นที่เจ็ดเนี่ยอลงมาให้แล้วหันหลังให้แล้วก็ไปนั่งจับกลุ่มคุยกันเรื่องไร้สาระเนี่ยถ้าหากคนเหล่านี้เนี่ยนะมาพิจารณาอัลกุรอานเอาเวลามานั่งพิจารณาอัลกุรอานอัลกาวลาหมายถึงพระดํารัสหมายถึงถ้อยคําหรือคําพูดคําพูดของใครครับคําพูดของอัลลอฮ อาฟาลัมยัดดับบรูอัลกาวละพวกเขาพวกปฏิเสธไม่ได้พิจารณาอาฟลัมยัดดับบารูแปลว่าพวกเขาไม่ได้พิจารณาอะไรครับอัลกาวละแปลว่าคำพูดหรือพระดำรัสนะครับหรือถ้อยคำที่อัลลอฮให้มาพี่น้องให้มาเนี่ยไม่เสียสตางค์เลยนะพี่น้องนะให้มาฟรีๆนะเพราะเป็นห่วงมนุษย์ ตองการจะให้มนุษย์เนี่ยเดินตามคําสั่งของอัลลอฮ์แต่ละก้าวแต่ละก้าวให้เป็นถ้อยคํามาให้เป็นความรู้มานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายนี่นะหันมาพิจารณาวิเคราะห์ถ้อยคําของอัลลอฮ์แต่ละคําแต่ละคําที่อัลลอฮ์ส่งผ่านนาบี Muhammad อยู่ในกระพริบุณอานเลื่มนี้แหละพี่น้องโอ้พี่น้องเนี่ยอัลลอฮ์สั่งอะไรนะทําไมพวกคุณ ที่หันหลังให้กับอัลกรุรอานเนี่ยพาะผู้คุณไม่เคยพยิจารณาถ้อยคำของอลัลลอห์เลยามาดูคนที่พิจารณาถ้อยคำของอลัลลอฮ์นะราอิสลาหมดเลยบุคคลตัวอย่างก็คือไสดีนาอุมัตรอดียลลอห์อันดูออะคนนี้ก่อนนะคนนี้พราะเป็นศัตรูแรงมากเลยเป็นศัตรูกับนบีมุฮัมมัดอย่างแรง เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์อย่างแรงเป็นศัตรูกับอัลกุรอานอย่างแรงตบลูกตบน้องสาวตัวเองตบน้องสาวตัวเองน้องสาวตัวเองรับอิสลามไปน้องคือเป็นเรื่องเป็นอย่างนี้นบีมุฮัมมัดเนี่ยประกาศเป็นนบีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์แต่งตั้งมาคนที่ขวางเนี่ยเยอะมามเยอะมากเลยไปน้องมิวัน์ไซนาอุมัตเนี่ยถือดาบเดินสวนกับชาวบ้านนบีคนหนึ่งถาม คุณจะไปไหนอุมาไปไหนฉันจะไปฆ่านับี๋ยไปฆ่าทําไมอ่ะนําศาสนาใหม่มาเนี่ยก่อนที่คุณจะประจัดการนาบดุลเีจัดการที่บ้านคุณก่อนมีอะไรหรือคอน น, อน้องสาวคุณรับอิสลามแล้วเพราะว่าอย่างนั้นแหละโอ้โหของขึ้นห้องกลับไปบ้านเลยไปน้องพอเดินเข้าไปพอจะถึงบ้านได้ยินเสียงน้องสาวนั่งอ่านอัลกุรอานอยู่ มีครูมาสอนเห็นนะแต่ที่คนอาหรับอ่านาคูอ่านเข้าใจอะ่ะอย่างเราตรงแปลอย่างไรล่ะของเขานแค่อ่านนีเข้าใจแล้วใครนามมัดได้ยินน้องสาวอ่านาคูอ่านเท่านั้นแหลพะพอขึ้นบ้านเนี่ยอันอะไรเปรี่ยงตกปังปังปัง อ, อ, อัดหล่อโลดเลือดไหลไปเนาะพอเลือดไหลเสร็จแล้วครูคจะนึกอนะนะตกมาทําไมวะเนี่ย <nephew> คุณอ่านาอะไรอมาดูหน่อย บอกไม่ให้ดูน้องสาวว่าคนสกรปรกอย่างพี่จับกุนอ่านไม่ได้โอ้โหภาษานี่แรงนะคนสกรปรกอย่างคุณเนี่ยจับกุนอ่านของอร่อยไม่ได้สกรปรกผ้าถีบอาบตีน่าสกรปรกความคิดสกรปรกเลือดที่อยู่ในร่างกายสกรปรกหมดไปอาบนาำก่อนไปอาบน้ำก่อนแต่พูดขอน้องนี่นะอาละพอต่อมาศาสนาอุมัดนีนะใจอ่อนลงมาก็ขอเนี่ยขอ กูรอรานที่น้องสาวอ่านอยู่เนี่ยรู้ไหมสุระอะไรต่อฮาเราเรียนเราเรียนผ่านมาแล้วนะอ่านแค่ห้าอายาเองพี่น้องอ่านที่อายานะห้าอายาเองพี่น้องอ่านอายาไหนกันพี่น้องนี่ไงสุรต่อฮาอายาที่หนึ่งถึงอายาที่ห้าออลลอฮฺพี่น้องพออ่านปั๊บพี่น้องครับมือใจอ่อนหมดเลยพี่น้องเอา้าดูซิเขาอ่านได้ยังไง ตอฮาใช่มัไหมอฮาอัลลอหุอะลัยฮิวเบน้องแล้วก็ใครท่อนางาำกุรอา่ะอฮาแล้วก็อันว่าไงนะมาอันซัลนาลาอิกัลุกูรอานาลิตัชคอคำแปลก็คือเราไม่ได้ประทานอันกุรอานลงมาทำให้อะไรนะ่ะทำให้เสียคนนะ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ส่งมาจะทำให้คนบ้าคนไม่ดีไม่ใช่ อ, อะไรกันเนี่ยอ่านห้าอายะพี่น้องพิจารณาเล็กๆไม่นอนรับอิสลามเลยพี่น้องฉะนั้นกุรานายะนี้มันเตือนอะอาฟารัมยา ด, ดบารุลกาวลพวกเขาพวกปฏิเสธไม่ได้พิจารณาพระดำรัสของอัลลอฮ์ดอกหรือถ้าพิจารณาพี่น้องรับอิสลามหมดเลย ผมไปไหน เ, เนี่ยเดี๋ยพบกันเนี่ยที่ชุมชนไทยเนี่ยพี่น้องเมื่อสักสามปีที่แล้วเนี่ยเด็กหนุ่มคนหนึ่งมายืนต่วหน้าผมมาสารภาพว่าผมรับอิสลามรับมาได้สี่ห้าเดือนถามว่ารับเพราะเหตุอะไรเขาอ่านกุณอ่านสุ ร, รบักรออ่านหนังสือสามใบเองพี่น้อง อ, นะอ่านแปลไทยอย่านอ่านๆใจอ่อนเลยรับอิสลามเห็นไหมฉะนั้นนวันนี้พี่น้องครับถ้าหาใครเนี่ยนะ ที่แอนตี้อิสลามที่แอนตี้อัลลอฮ์ที่แอนตี้แอนตี้เราซูนที่แอนตี้คุรานดีนะลองมาจับกุรอานอ่านแล้วก็อ่านด้วยความตั้งอกตั้งใจนะอัลลอฮ์เปลีป่ยนแปลงหมดเลยครับเพราะนี่สัญญาของอัลลอฮ์อาฟาลัมยาดบารุลกาวลพวกเขาผู้ปฏิเสธไม่ได้พิจารณาพลาดด âm รัดของอัลลอฮ์ดอกหรือพี่น้องครับยิ่งพิจารณาเท่าไรนะอัลลอฮ์พี่น้อง อ Al ัลกุรอานมอนาอบูลละซันอธิบายดีจะบอกว่าอัลกุรอานเป็นถ้อยคำของอัลลอ์เป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอัลกุรอานเป็นถ้อยคำที่สะอาดที่สุดเพราะไม่มีความคิดของมนุษย์เจือปนอยู่เลยทุกถ้อยคำเป็นของอัลลอ์มาจากชั้นฟ้าสะอาดบริสุทธิ์ทั้งหมดแล้วก็เข้าใจง่าย อ่าแต่พวกเราจะต้องเรียนนะข้อที่สมเราต้องดีใจทุกครั้งที่อ่านอลกรุรอานต้องดีใจแล้วก็ข้อที่5เราต้องภูมิใจที่เรามีโอกาสได้อ่านอัลกรุรอานข้อที่หกพี่น้องเมื่ออ่านอลกรุรอานแล้วนะให้พิจารณาถ้อยคําของอัลกรุรอานแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคําผมอ่านของท่านเมานาะอบุลฮัสซันเนี่ยทำไมพวกเอออะลมาคขนีม่บ่อย พอเขียนตำราไปเป็นพันๆเล่มอ่ะเห็นตำสิ่งไปก็เยอะพี่น้องฮะดิสก์็เยอะถึงประวัติศาสตร์ก็เยอะพี่น้องเห็นภาษาอุลดูนะอ่าผมข อ, อนำเอามาสองสองคำพอนะอย่างเอียติกาอ่าเอียติกาแปลว่าอะไรเราใช้กันในเดือนรอมาดอนวันธรรมดาก็ได้เอียติกาในมันสยิดเนี่ยนะนท่านอธิบายครั้ว่าเอียติกาบคําเดียวท่านบอกว่าอียติกาเนี่ยมีอยู่สองความหมาย ความหมายหนึ่งแปลว่าเอาตัวเองเนี่ยไปขังไว้ไปนั่งที่มัสยิดของอัลลอฮ์เอาร่างกายไปไปนั่งอยู่ในมัสยิดของอัลลอฮ์นั่นอยียติกาแต่อีกความหมายหนึ่งมายถึงเอาความคิดอ่าอย่าลืมนะเอาความคิดของท่านนี้เนะี่ยโยงกับอัลลอฮ์เท่านั้นโอ้โหนี่อธิบายดีไหยดีมากครับ บางคนเนี่ยไปอียติก้ที่สูเราก็จริงแต่ใจอยู่ที่สี่ขอนมีไหมความคิดอยู่ที่เมียนูน่นนะความคิดอยู่ที่ภรรยาสาวที่แต่งงานน่ะความคิดอยู่ในรถความคิดอยู่ที่อะไรนะ่ะตลาดหุ้นโอ้โหพี่น้องคิดจงธุรกิจเรื่องการเงินการทองทําไงท่านบอกว่าถ้าอาิยติก้าพอยู่สุเราแล้วนะให้ตัดดุลยาให้หมดให้ร่างมาอยู่ในมัสยิด แล้วก็ความคิดโยงกับอัลลอฮฺสุบฮ า, านาาะฮูวาตอา阿าจะทําจะให้อิมานเพิ่มทํำยังไงให้ตะกวาเพิ่มทํำยังไงให้อีสานเพิ่มทํำยังไงนะครับให้อะตีนเพิ่มทํำยังไงให้อิคลาสความบริสุทธิ์สะอาดหวัวใจเพิ่มทํำยังไงต้องการจะเอาอัคลาชของท่านนาบีมาใช้ในชีวิตประจําวันกับลูกๆหลานๆทำยังไงไปเนาะคิดเรื่องนี้นั่นแหละก็เรียกว่านะ อิทธิกรด้านสติปัญญาโอ้นี่เห็นไหครับเอาอีกคำหนึ่งเขาบอกว่าอินนัลลาีะกาลูรบบุนนัลลอฮุซุมมัสตะกมูอ้ายานี้แปลว่างไ่ร้ไหมแค่จริงคนที่กล่าวว่าอัลลอ์เป็นพระผู้อภิบาลของเราเสร็จแล้วซุมมัสตะกอมูและเขาก็ยืนหยัดยืนหยัดเหมือนใครครับเหมือนบรรดาซอ บ, บานอับดทั้งหมดเลย ยืนหยัดเหมือนบรรดาซอฮาบานาบีทุกคนพี่น้องคําอธิบายต่อนะคนเนี่ยมีอยู่สองกลุ่มคิดเป็นมุสลิมหรือเป็นแขกอย่างเราเนี่ยมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเข้ากาลิมาแล้วเข้าอิสลามแล้วเรียนกาลิมาเตาเฮต์แล้วยืนหยัดอีกกลุ่มหนึ่งไม่ยืนหยัดเป็นแขกอย่างเดียวอธิบายดีไหมฮามดูลิลาเป็นแขกอย่างเดียว มาเห็นหน้าเฉพาะวันศุกร์ห้าเวลาไม่นมาที่บ้านไม่ยืนหยัดเลยยืนยัดเฉพาะวันศุกร์หรือมากกว่วันอิฐปีละสองวันแต่ไอคนที่ยืนหยัดเนี่ยหนึ่งต้องเรียนเนี่ยมาเรียนศาสนาเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนภรรยาเปลี่ยนลูกนะครับเปลี่ยนคนในครอบครัวให้ลูกอ่านกัวอ่านได้ท่องดัอาได้ยืนหยัดในความดีไปน้องนง่าไง คนที่ยืนหยัดในพี่น้องครับเป็นคนอยู่ก้าวอาชีกเอาล้อมหมดเลยแต่ไอคนที่ไม่ยืนหยัดนี่แหละพี่น้องที่เราเป็นห่วงอยู่วันนี้นะ่ะเป็นแขกแล้วน้ำมันพ่อปีละสองครั้งมีไหมมีนั่งอ่ะเขาไม่ได้ยืนหยัดพี่น้องนี่อ่พะพออ่านคุรานแต่ละคําแต่กันแล้วมานั่งวิเคราะห์พี่น้องครับความรู้มันเพิ่มอิมานก็เพิ่มด้วยนะแกพี่น้องท่าไหร่อ่ะพี่น้องสังเกตผมนั่งอ่านประวัติของบรรดาซ อ, อบ้านอับี มีอยู่คนโทรสาบมาหาผมจานต่อต้านชี้อ้ากันความจริงในวิธีต่อต้านนะเรียนซอบ้านอบดีเรียนประวัติของซอบ้านอบดีจบเลยไปเรียนประวัติของซอบ้านอบดีผมก็เริ่มศึกษาเนี่ยเอาประวัติของท่านไซนาอุมัดก่อนไซนาอุมัดไปน้องครับเอาคุยกันสั้นๆเลยนะวันที่ท่าน ท่านปกครองกี่ปีรู้ไหมสิบสองปีเป็นคอลิฟายอยู่สิบสองปีจะสร้างบ้านเป็นทองได้ไหมได้สร้างกําแพงบดีนาเป็นทองก็ได้พี่น้องแต่บางครั้งเนี่ยนะท่านยืนอ่านอ่านอ่านอ่า น, านคุตตบ้านวันสุกเนี่ยพี่น้องใส่เสื้อแล้วก็ห่มผ้าเนี่ยปรากฏว่าไอ้ผ้าของท่า น, นที่ห่มเนี่ยนะเพราะอากาศมันหนาวเนี่ยวันล่าห่มผ้าเนี่ยปรากฏว่า เป็นผ้าที่ขาดแล้วก็มีรอยปะมันเป็นคอลีฟะกําลังยืนยืนยืนยืนพูดพูดยืนสอนสอนอยู่พี่น้องครับท้องเนี่มารอมรองไง น, นะจอกจอกทองรองทําไมเพราะอะไรนะเพราะหิวกําลังสอนนี่เพื่อนจะลืมนะขนาดที่ยืนสอนคนเนี่ยทองรองเนี่ยอร่อยจริงๆริงพี่น้องถ้าท่านพูดกับท้องกว่าท้องเอ้ย อย่าร้องเลยเด็กมุสลิมที่อยู่ข้างนอกเนี่ยยังไม่ได้ทานอาหารท่านไม่มีสิทธิ์ได้ทานก่อนนะทองเอ๋ยจำด้วยท่านไม่มีสิทธิ์ได้ทานอาหารก่อนจนกว่าเด็กมุสลิมแม่ไม้หญิงชร า, าที่ยากจนนั้นต้องได้อาหารก่อนที่ท่านจะกินอาหารของ ok. ข อ, ะะอัลลอฮฺาอหูนี่ภาษาเป็นไงไปไปน้องเขา วิเคราะห์อัลกุรอานไงพี่น้องไม่ได้จบฮาวเวิร์ดไม่ได้จบจากอเมริกาอังกฤษไม่ได้จบรามกแกรแมงแต่จบคุรานนี่พี่น้องมีความคิดทําไมคิดขนาด น, ะนี้ท้องเ อ, อ้ยคุณลองไปก่อนแล้วเมื่อเด็กเยาวาชนมุสลิมเด็กเล็กๆเนี่ยยังไม่ได้ทานอาหารแม่ไม่ยังไม่มีเงินใช้ภรรยาทั้งหลายที่ลําบาอยู่ที่เป็นแม่ไม่อยากจนนี่นะ ต้องได้ทานอาหารก่อนที่ท้องของไซนาอุม่าจะได้ทานอาหารพี่พี่น้องเขาเอาความคิดนี่มาจากไหนมาจากท่านนบีมูฮัมมัดสุลตานบรสลาห์วันตายอาสูรพันซันแล้วกันนะวันที่ท่านเสียชีวิตนี่พี่น้องคนที่แทงท่านเนี่ยเป็นคนมายูซี่มายูซี่แปลว่ารนะคนที่บูชาไฟไม่เคยสู้ยู่ต่ออัลลอฮ์แม้แต่ครั้งเดียวพี่น้องเป็นคนมายูซี่ เข้ามาแทนท่านพี่น้องเสียชีวิตแต่มาเสียอีกสามวันต่อมาวันที่เสียชีวิตพี่น้องครับปรากฏว่าทรัพย์สินมีอยู่4ีรายการพี่น้องปกครองประเทศตั้งสิบสองปีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นนักปกครองมีทรัพย์สินที่เป็นมรดกอยู่สีรายการรู้มาอะไรครับบ้านที่ทำมาจากดินบ้านชั้นเดียว บ้านที่ทำมาจากดินพออ่านแล้วเอาล้อทับตามันจะไหลสองมีล่ออยู่หนึ่งตัวหนึ่งบ้านจากดินสองล่อคล้ายๆลาเลยนะหนึ่งตัวสามเสื้อผ้าเก่าๆที่มีรอยปะปกครองประเทศมาสิบสองปีพวกเราเนี่ยนี่พอันซื้อพิพมพบ เช็คไปเช็คมารวยผิดปกติมีเงินสามพันห้ารอยล้านโอ้ยไปดูสบ้านอะบีพี่น้องวันตายมีแค่สี่รายการหนึ่งมีบ้านทรมาจากดินหลังเล็กๆหลังหนึ่งสองมีล่ออยู่หนึ่งตัวสามมีเสื้อผ้าเก่าๆที่มีรอยปะแล้วแล้วก็มีแซ่อยู่อันหนึ่งพี่น้องไอแซ่นี้เนี่ยทำอะไรพี่น้องเ <c oughs> วลาได้ยินเสียงอาจารเนี่ย ไทน่าอมาัดพอลีนเสียงอาจารย์ปับเดินออกจากบ้านเลยไปน้องเอาแสเนี่ยฟาดประตูบ้านชาวบ้านกลุ่มลุกขึ้นไปมัสยิดลุกขึ้นไปมัสยิดลุกขึ้นไปมัสยิดนี่คอลี่ฟาดพี่น้องเอาความคิดเหล่านี้มาจากไหนพี่น้องถึงทำแบบนี้ได้เพราะพิจารณาถ้อยคำของอัากุรอานแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำอิมานมันเพิ่มพี่น้องตากวาเพิ่ม อิคลาสเพิ่มยาตีนเพิ่มยาสานเพิ่มอัคราของท่านนบีเพิ่มขึ้นในตัวเองพี่น้องพิจารณาคัมภีอัลกุรอานพี่น้องสับแต่ละคำในพี่น้องนะค่อยๆ อ, อ่านและพิจารณาให้ดีพี่น้องครับอัลลอฮ์อิมัมจะเพิ่มกันพี่น้องหลายเอายกตัวอย่างสั้นๆ น, นะปกครองกี่ปีนะสิบสองปีเหลืออะไรเงินธนาคารมีไหมไม่ไมีรถกี่คันไม่ไ ม, มีมามีไหมไม่ไมี ม, ม, มีล่อแล้วก็มีบ้านทำด้วยดินมีแท่ แล้วก็มีเสื้อผ้าเก่าๆที่มีรอยปะปะป ะ, ปะนี่งานคอริฟีฟ้ากับเพื่อนกัอ่รมาดูงานที่ท่านทำมีอะไรบ้างสอนให้คนรับอิสลามเป็นเมืองประมาณหนึ่งพันกับสามสิบหกเมืองหนึ 1, ่งพันกับสามสิบหกเมืองรับอิสลามหมดเลยไปน้องแล้วก็สร้างมัสยิดทั้งหมดเท่าไรไปน้องครับสี่พันมัสยิดนั่นงานของเขาก่อนตายไปน้อง งานของเขาก่อนตายเป็นห่วงมุสลิมเชิญชวนมุสลิมให้รู้จักอัลลอฮ์สอนเรื่องอัคีดาสอนให้คนเปลี่ยนแปลงกี่เมืองนะหนึ่งพันกับสามสิบหกเมืองแล้วก็สร้างมสัสยิดเท่าไร 4, สรี่พันมัสยิดนี่คืออามันของเขามาดูพวกเราทุกประเทศอัลลอฮ์เช็คแล้วรวยผิดปกติเ <c oughs> พราะหัวใหญ่เขาไม่ยมกันหร ขายอมกับคุรานะปัญหานี้ไม่มีครับขายอมกับสุนนะนบีปัญหานี้ไม่มีครับนี่ไงครับอาฟาลามยาดะบารุลกาวเนี่ยลลอตเตอร์นะโอ้บรรดาคน ม, ออมุสลิมเอ๋ยดูมุสลิมเอ๋ยทําไมไม่พิจารณาดูถ้อยคําของอัลลอฮ์ทีละคำทีละคำทีละคำดูสิว่าจะได้อะไรเกิดขึ้นท่านจะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นยังไงนะครับเอาต่อมาครับ อัมกาอัมจาอัฮุม ja อัมจาอัฮ ja ุม ah um. แปลว่าหรือว่าได้มีมายังพวกพวกเขาได้มีมายังพวกเขาอะไรมาหรือไม่เพียงเท่านั้นก็ทำทีกุรอานเนี่ยทำทีกุรอานมาให้กระใครพี่น้องอัลลอฮฺประทานให้กับท่านนาบีให้นบีมาสอนคนอาหรับมุสริก อาับมุชริกในนครมักก็แ n t ตอัลกุรอานไม่ยอมรับอัลกุรอานเลยไปน้องอลัลลอฮ์ก็ถามสาเหตุที่คุณไม่รับอัลกุรอานเนี่ยก็ทีนึ่งคุณไม่ได้ใช้ปัญญาใช่หรือไม่ใช่ให้คิดนาตัวเองเรื่องที่สองอัมจาอุมมาลัมยะติอาบาอหุมุลอววาลีหรือว่าได้มีมายังพวกเขา ที่ไม่ได้มีมายังพระบุรุษของพวกเขาแต่ก่อนอนคือเป็นคําอ้างไปนองครับ <c oughs> คนอ้างอย่างนี้คนอาหรับมุสลิกินนารกอนมา ก, การเนี่ยบอกว่าที่ฉันรับกุษอ่านไม่ได้ที่ฉันรับมุฮัมมัดให้เป็นนบีไม่ได้เนี่ยเพราะปูญาตายายฉันไม่เคยได้ยินคําว่านบีมาก่อนไม่เคยได้ยินคำว่าอุอาหีมาก่อ น, เ, น, ah อนเพราะ พวกเขาเป็นควกวบูชารูปจเจว็ตมาตลอดทั้งชีวิตของเขาเลยไม่รู้ไม่เคยได้ยินคำว่าไดนะนบีวุาฮีไม่เคยได้ยินถ้าหากจะได้ยินบ้างก็จะดีนี่ไงคือคำคำอ้างที่ไม่รับอัลกุรอานกุรอานประทานลงมาแล้วปฏิเสธเราก็เอาเวลากลางคืนมานั่งจับกลุ่มคุยกันใช่ไหมร้องเพลงเต้นรำใช่ไหมอ้างว่าข้อที่หนึ่ง อา้าเราบอกว่าคุณที่คุณไม่รับเพราะคุณไม่ใช่ปัญญาข้อที่สองคุณอาจจะอ้างอย่างนี้วะนะบนรรพบุรุษของคุณเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องเรื่องนบีกับเรื่องวาฮิมาก่อนใช่หรือเปล่าเนี่ยอา้าวเราถามในคัมภีร์อุลตร้ราสองสาเหตุไปน้องครับสาเหตุหนึ่งเพราะไม่พิจ า, า ร, ร, ราณาอัลกุรอานจึงรับกรุรอานไม่ได้สองอาจจะอ้างว่า ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเนี่ยไม่เคยได้ยินเรื่องนบีมาก่อนใช่ไหมพี่น้องเอ้าต่อมาครับพี่น้องต่อมาครับคือพี่น้องครับอาย่านี้นี่นะมันมีอยู่สามประเด็นประเด็นที่หนึ่งพวกเขาไม่ได้พิจารณาพระดำรัสของอัลลอฮ์หรืออา่านอัลกุรอานแล้วควรควรจะได้ข้อคิดนะครับ อ่านกุณอ่านทุกคนเป็นน้องได้พ้อคิดนะได้อิมานแน่นอนสองได้ตาควาสามได้อีฮซานสี่ได้ยาตีนห้าได้อิคลาสห้าได้หกได้อัคราโคท่านนบีคนอ่านคุณอ่านทุกคนต้องได้แบบนี้หมดเลยนะครับข้อที่สองเป็นน้องบรรพบุรุษนะครับบรรพบุรุษที่เขาอ้างว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยไม่เคยได้ยินคําว่าซอฮบ้านนบีมาก่อน แต่บรรดาซอบ้านนาบีเป็นนองทําไมเขารับคุณอ่านง่ายล่ะเพราะอะไเพราะเขาใช้ปัญญาอแบบไซนาอุมัตเพราะใช้ปัญญาปับ๊บเป็นไงรับอิสลามเลยไม่ต้องทรมารยะครับเอาต่อมาครับข้อที่ข้อที่สองข้อที่สามอายาที่เจ็ดสิบเก้าหกสิบเก้าครับพี่น้องอัมลัมยาริฟูรอซูลาฮุม فهم له ممكنون أم لم يعرفوا رسول لهم فهم له ممكنون อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลที่พวกเขาปฏิเสธคุณอ่านเรื่องที่สามอัลลอฮถามนะเรื่องที่หนึ่งที่พวกคุณ หันหางจกอ่านุรอานเพราะที่หนึ่งไม่เคยใช้ปัญญาเรื่องที่สองพวกคุณอ้างว่าบรรพระบุรุษของเขาไม่เคยรู้เรื่องนบีมาก่อนไม่เคยได้รับเพราะว่านาบีเนี่ยมาในกลุ่มไหนกลุ่มบริอิสโลอีนใช่หรือไม่ใช่กลุ่มอาดัมนี้ไหมไม่มีก็เลยอ้างว่าบรรพระบุรุษของฉันเมื่อสี่ห้าร้อยปีมา นบีไม่เคยมาวะฮีไม่เคยมาเจ้าบัปะคับให้อ่านคุรุอ่านทาไม เ, เรื่องที่สองเรื่องที่สอัมลามยารีฟูรอซูละฮุมหรือว่าพวกเขาพวกอาบมุชีลิกเอย๋ยลามยารีฟูไม่รู้จักนี่ร อ, อถามนะหรือคุณไม่รู้จักผู้ที่รับคำพีกุรุอ่านคือนบีมุฮัมมัด คุณไม่รู้จักนบีมูฮัมหมัดหรืออลัลลอฮ์ถามถามคนอาบมุสลิมที่คุณปฏิเสธกุรานเนี่ยพอกุรานนี่ถูกประทานลงมาให้กับใครให้กับนบีมูฮัมมัดสลุลตลานอัลลอฮ์ถามหรือคุณไม่รู้จักชีวิตของมูฮัมหมัดคนอา랍รู้จักมูฮัมหมัดไหมรู้จักอย่างดีเลยมูฮัมหมัดเป็นลูกใครแม่ชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรตระกูลอะไรรู้หมดใช่ไหม แล้วก็ทุกคนยอมรับว่าอนาบีเป็นอัลอะไรอัลอามีเป็นคนที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาทุกคนยอมรับหมดอ่ะอลัลลอฮ์ถามว่าที่คุณไม่รับมุฮัมมัดว่าเป็นรอซูลของอลัลลอฮ์คุณไม่รู้จักมุฮัมมัดจริงๆรหรือนี่ไงย้อนถามคุณที่ปฏิเสธกุรานปฏิเสธมุฮัมมัดเพราะคุณไม่รู้จักมุฮัมมัดใช่ไหมไม่ใช่ เขารู้จักมูฮัมหมัดดีเลยว่ามมหมัดน่าเป็นลูกใครหลานใครแล้วก็อบูละฮับเป็นใครอบูตอเลบรู้หมดเลยแต่ทุกคนยอมรับว่ามฮัมหมัด้เป็นคนโอ้โหดีมากไว้ใจได้ฝากของนี่ไม่เคยเบี้ยวเลยกับทุกหลาเอา้ฟาฟฮุมละหูมุงกิรูดังนั้นพวกเขาจึงเป็นผู้ปฏิเสธมูฮัมมัดกนันนะหรือทั้งๆั้งที่รู้ว่า คนในซอยเดียวกันคนหมู่บ้านเดียวกันถ้ามาคิดปฏิเสธคนดีๆอย่างนี้เวลาอัลลอ์ให้คุรานให้กับนบีนบีเป็นคนดีอย่างนี้คุณยังปปฏิเสธมุฮัมมัดหรือนี่เรื่องที่สามพี่น้องครับต่อมาครับพี่น้องเรื่องที่สี่อายาที่เจดสบอัมยาคุลูนบีินนะ أم يقولون َُ به جنة بل جاءهم بالحق َ وأكثرهم ُ للحق َِ كارهون أم َ يقولون َ به جنة بل جاءهم بالحق َّ وأكثرهم ََ للحق ทีกะริฮูนอัลลอฮ์าถามถามคนอาหรับมุสลิมที่ปฏิเสธคุรานเรื่องที่หนึ่งถามว่าคุณนี่นะไม่ใช่ปัญญาเรื่องที่สองคุณอ้างว่าบรนฟะบุรุษไม่เคยได้ยินเรื่องนบีเรื่องรอซูลเรื่องวาฮีมาก่อนเรื่องที่สามคุณไม่ยอมรับมุฮัมมัดเลย ทั้งทสี่โมฮัมหมัดเนี่ยอยู่ในซ้อนบ้านเดียวกับคุณนั่นแหละอยู่บ้านเดียวกับคุณ ร, รู้รู้ถึงประวัติการเป็นมาครอบครัวเขาอย่างดีว่าเป็นคนดีทําไมรับเขาไม่ได้เพราะอะไรเรื่องที่สี่ถามว่าหรือพวกเขากล่าวว่าอัมยากูลูนแปลว่าหรือพวกเขากล่าวว่าบีฮียินนะยินนะแปลว่ามัจญูนแปลว่าบ้าพวกพวกคุณเนี่ยพูดกันว่าโมฮัมหมัดเป็นคนบ้าใช่ไหม เขาด่ากันน่ะเขาด่ากันในซอยใช่ไหมนะ่ะเขาด่ากันปากซอยว่าโมฮัมหมัมดเป็นคนบ้าเอากูณอ่านมาสอนโอ้โเรื่องไรสาระเขาว่าหรือว่าโมฮัมหมัมดเป็นคนบ้าถึงรับอะไรที่ผ่านนบีโมฮัมหมัมดไม่ได้กันนั่นหรือใครถามอัลลอฮ์ถามถามเรื่องทีหนึ่งคุณพิจารณากูณอ่านหรือเปล่าถามเรื่องทีสองบรรพบุรุษของพวกคุณที่ปฏิเสธคูณอ า, อานอ้างว่า ไม่รู้จักนบีไม่รู้จักอวหิหีใช่ไหยเรื่องที่สามคุณไม่รู้จักครอบครัวของมุฮัมมัดใช่ไหมเรื่องที่สีหรือว่าประชาชนพูดเรื่อ ม, มุฮัมมัดเป็นคนบ้าเลยรับความรู้ที่ผ่านจากมุฮัมมัดไม่ได้กันนั้นหรือเนี่ยลอถามสี่เครื่องนะพี่น้องครับอันที่สีเนี่ยดีอามยากูลูนบีจินนะหรือว่าพวกเขากล่าวว่าตัวนบีมุฮัมมัดนั้นมีความเป็นบ้าอยู่ใช่ไหม สข้อที่ถามพี่น้องครับเอา ล, ล้อตอบเลยนะบัลไม่ใช่ที่ฉันถามคุณนี่นะคุณเดินตามนี้ก็ผิดผิดทั้งหมดมุฮัมมัดนำมาเป็นเรื่องจริงนมุมมัดมาครอบครัวเป็นครอบครัวที่ดีประวัติดีหมดเลยไม่มีความชั่วเลยแล้วก็คุรอ่านก็มาจากเอา ล, ล้อจริงครอบครัวคุณปู่ย่าตายายนะนะถึงจะไม่รู้เรื่องนบีวัฮี แต่อัลลอประทานประทานคัมภีร์ตอรอบผ่านพวกอะไรนะบานีอิสรออีนต้องเยอะแยะไปหมดน่ทำไมไม่ใช่ปัญญาสี่ข้อที่ถามพี่น้องเราวัดทั้งหมดนี่ก็หบหมดเลยตัวแลกทั้งหมดเรื่องจริงเป็นอย่างนี้บัน้นบั้นแปลว่าไม่ใช่เช่นนั้นหรอกจะอุมบิลฮักตีมุฮัมมัดเขามุฮัมมัดได้นำเอาความจริงมาให้แล้ว นี่เลารอบประกาศเลยนะสิ่งที่นบีนำมามานั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดสุนนะของนบีเป็นเรื่องจริงทั้งหมดมารยาของท่านนาบีนเป็นเรื่องจริงทั้งหมดของอนิษฐานบีพูดออกมาจากปากพี่น้อง23ปีเป็นเรื่องจริงทั้งหมดสิ่งที่ น, นาบีนํามาเป็นความจริงฉะนั้นท่าท ok างของนบีเป็นความจริงคําพูดของนบีเป็นความจริงความรู้านิษฐาบีสอนเพราะยิบรีนเป็นไดาเรกเตอร์ท่านนาบีใช่หรือไม่ใช่พูดเองได้ไหมานาบี ไม่ได้ไปน้องความฝันของนบีก็เป็นความจริงฉะนั้นอัลลอ์สอเลยนะที่คุณไม่เอาคูนอาเนี่ยเพราะว่ายาอหุมบิลฮักเตเพราะมุฮัมมัดได้นำเอาความจริงมาให้พวกคุณแล้วพวกเขาแล้วว่าอัคซารูฮูมุลว่าอัคซารูฮุมอักซัดแปลว่าอะไรนะและส่วนมากของพวกเขาลิลฮักเต กาลีฮูนกาที่แปลว่าเกลียดชังคนส่วนใหญ่ที่เกลียดชังความจริงใช่หรือไม่ใช่คนส่วนใหญ่นี่น่ะไม่ชอบความจริงเกลียดชังความจริงนี่ไงอัลลอฮ์อ้างไวส้สี่ข้อใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยผู้คุณนี่นะรู้ทั้งหมดว่านี่เป็นความจริงที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านนาบีมุฮัมมัด แต่คนส่วนใหญ่นั่นไม่ชอบความจริงเกลียดความจริงรังเกียจความจริงปฏิเสธความจริงพี่น้องครับไอ้เรื่องจริงๆเราเราก็กลัวเหมือนกันนะคนหน้าแตกเหมือนกันนะเรื่องจริงนี่พี่น้องเอาลอร์กวัจเนี่ความจริงอยู่ที่อัลลอฮ์นะไอ้เรื่องไม่จริงอยู่ที่มนุษย์หมดเลยเนะี่ยวันนี้ดีนะ ยังมีอัลกุรอานแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งยืนหยาดอยู่กับกุรอานอยู่ยึดกับสุนน่านบีพี่น้องนี่เป็นความจริงพี่น้องนะถ้าหากว่าเราเน่ยเดินตามกระแสะสังคมนะทิ้งสุนน่ากันหมดนะอะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยวันที่เก้าที่ผ่านมาเนี่ยวันอะไรนะวันมีนามาอะไรนะกุซูฟมีนามากุซูฟคนฟังก็นู่นมาต้องไปถามตีกองติดกลละมังยิงปืนสารพัด ตักน้ำใส่โอมรักษาพระพิโรธทําฝั่งนู้ น, น, นแต่คนฝั่งนี้นี่พี่น้องนบีศอนอยังไงเวลาเกิดกุซูปเนี่ยให้ทําอะไรครับให้นามาสองเราก็อัดสี่รู ก, กววเห็นไหมแล้วก็คนที่อยู่ฝั่งนี้เนี่ยประกาศเราฉันรักอลัลลอฮ์รักอกัลลอฮ์ใช่หรือไม่ใช่แต่มีนามาเกันกี่โซเราในกทมเนี่ยนี่เราติพวกเราเองใช่หรือไม่ใช่ มีนับสุราได้ไม่กี่แหงในายพื่น้องและอิตั้งทันกว่าสุราในายพื่น้องทำอะไรกันหมดพื่น้องพอความจริงมาการิหูรังเกียรความจริงจะชอบนบีไม่ชอบนบีรักอลัลลอฮ์ไม่รักอลัลลอฮ์แต่อลัลลอฮ์เสนอให้ทําน้นทํำนี้จุลาไม่เห็นทำเลยเ อ, อ๋โหอ้างจูลาเพื่น้อง ตัอิหมัมไม่เห็นประกาศเลยจะม่ต้องรออิหมัมประกาศทําไมได้พี่น้องหลาหมาบูมทำคนเองก็ได้ใช่ไหมนี่พอความจริงมาชอบปฏิเสธแล้วก็อ้างใช่ไหมอ้างแบบคนอาหรับอ้างสี่ข้ออเราบอกว่าคุณไม่เคยใช้ปัญญาอ้างที่สองปู่ย่าตายายไม่เคยรู้เรื่องนบีเรื่องวาฮีเรื่องที่สามอัลลอฮ์ถามรู้จักมุฮัมมัดเปล่าโอ้โหเนี่ยวันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องมุสลิมที่ปฏิเสธสุนน า, นาระบีก็อ้างอ่ะปู่ย่าตายายฉัน ถ้าเราไม่ทำตามตู่ย่าตายายไม่รักษาประเพณีเอาไว้ก็ตกนรกกันหมดสิโอ้โหนี่เป็นภาษาอ้างทั้งหมดแต่ว่าก็คือความจริงมาแล้วแต่พวกเขารังเกียจปฏิเสธไม่พอใจเรื่องจริงๆที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านท่านอนับดุลมฮัมมัสลุลครับอัลลอฮ์พี่น้องเอาสรุปจากอายาของอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับที่ว่ามีอยู่สี่เรื่องนี้นะเรื่องที่หนึ่ง อัลลอฮ์เรียกคนที่ไม่เอาศาสนาเรียกภาษาดีนะมุตทรฟีหิมไปน้องนึกนะมันมีศัพท์อยู่คำหนึ่งนะมุตทรฟีหิมแปลว่าอะไรนะเจ้าสําราอัลลอฮ์ไม่ได้ดนะ่าไปน้ององัลลอฮ์ชมนะใครที่หันหลังให้กับอิสลามหันหลังให้กับสุนานะนาบีหันหลังให้กับกุ ร, รานหันหลังให้กับสวาบ้านะบีอัลลอฮ์ชมนะ มุทรทรฟี่หิมพวกเขาเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตของเขาแด้ด่าทุกชมได้พี่น้องพวกเจ้าสำราญพี่น้องอลัลลอฮ์พี่น้องนั่งคุยกันในเวลากลางคืนจับกลุ่มคุยกันร้องเพลงจับกุยคุ้มกันเต้นรำจับกุยคุยกันเล่นดนตรีมุทรทรฟี่หิมเจ้าสำราญเ อ, อ้ย และต่อมาครับพวกเจ้าสําราญเนี่ยนะพอเวลาถูกอลอตลงโทษเนี่ยนะจะร้องอย่างกะวัวไนดะ้ยังกะวัวถูกเชือดนะในกุณอานมีจะมาล่าตาจระอุลยียววันนี้อย่ามาแหกเสียงอย่ามาตะโกนเสียงดังอย่างกะว้วร้องมีมีอยู่คนโทรศัพท์มาหาผมเมื่อวานนี่อาจารย์จริงเลยนะคนที่ไม่เอาศาสนานี่เวลามันกล้าจะตายนี่นะมันร้องเหมือนวัวร้อ ง, รอ ง, รองจริงๆ มีอยู่คนโทรสารมาหาผมเขาเล่าว่ามีอยู่ครอบครัวหนึ่งพี่น้องสามีนะ่ะคุยกับภรรยาไม่เกินสามคำทะเลาะกันสามีกับภรรยาคุยกันไม่เกินสามคำทะเลาะกันด่ากันเสร็จแล้วไม่เอาศาสนานมาเนี่ยวันศุกร์กับวันอีธายเวลาเนี่ยไม่ได้ทำ เขาบอกตอนที่ผู้ชากคนนี้จะตายเนี่ยเขาเป็นคนขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลพอขับไปขับไปเขามองดูมันกม้มก้มเทียน้อยน้อยนอยกล้าจะเสียชีวิตนะมันร้องเหมือนวัวร้องเลยร้องอฉันไม่เคยได้ยินดัวยนะขับรถตกใจเลยมันร้องร้องทำไมไปน้องเพราะผูอธิบายตับซีนมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย เขาบอกอาจารย์ใช่เลยที่ร้องอร้องขอความช่วยเหลือขอจากใครอะ่ะเร า, าไม่ช่วยฮะเพราะตอนอยู่ดีๆไม่เคยจับโุราณอยู่ดีๆไปจะเสสุนานาบีไม่เคยสุยูดนะสุยูดเฉพาะอาทิตย์ละห น, หนึ่งครั้งวันศุกร์กับวันอีดวันธรรมดาเนี่ยมันจะนมาเลยใครเป็นหลายนี่ไงมุทรฟรีหิมคนที่มีชีวิตอยู่สุขสบายสำราญเ อ, อ๋ยขาทุนนะ ความอดลงโทษจนะรอำวอัวทุกันทุกคนรอำแบบวัวเชื่อด้วยก็ได้เพะนั้นพป็น้องระวังนะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะรับอิสลามมาประมาณเจ็ดแปดปีแล้วถามคุ้มถามก็ว่ารับอิสลามเพราะเหตุใดเขาว่าเขาเนี่ยยืนเฝ้าไขา้คุณแม่ของคุณพ่อพเขาเรียกใครคุณอะไรคุณย่าจ้ะยืนเฝ้าอาการของคุณย่าเนี่ยตอนคุณย่ากล้าจะเสียชีวิตตอนนั้นยังยังเป็นน o n muslim อยู่เป็นกาเฟตเลยนะ คุณย่าโยกมือฉันไม่เอาฉันไม่เอาตะโกนแบบนี้นี่น่ะตะโกนเสียงดแบบังฉันไม่เอาแล้วฉันกลัวแล้วมันสังหอนใจตัวเองมี่มันอะไรกลัวอะไรฉันไม่เอาอะไรแล้วต่อมาก็มาเรียนรู้เรื่องอิสลามใช่เลยคุณย่าฉันนี่นะเห็นการทรมานเห็นมาลาอิกะมาเอาวิญญาณแบบกระชากมากกว่าเห่นไหม ฉะนั้นคุณอ่านสั่งและตาจโรอุลิอาอุมคุณไม่เอาศาสนาฉะนั้นตอนจะตายอรลรยากุจะลงโทษคุณฉะนั้นอย่ามาตะโกนร้องแบบวัวเลยถูกแน่ๆนะครับพี่น้องลายพีน้องครับนี่อรับคุณอ่านพี่น้องครับเตือนเรานะพี่น้องนะข้อที่สองพี่น้องครับห้ามดุลินแล้วพี่น้องข้อที่สองข้อที่หนึ่งมุทรฟีหิมข้อที่สองร้องเหมือนวัวข้อที่สามพวกเขาหันส้นเท้าไม่ยอมฟังคุราน เอาเวลามานั่งจับคุยเรื่องรายสาระเล่านิยายคุยเรื่องลูกคนรวยลูกคนจนโอ้พีเ น, น้รื่องรายสาระทั้งหมดเอาต่อมาครับอายาที่เจอวะลาวิตาบะลฮักอัฮวาอุมละฟัดาติละฟัดาติสสัมวาทุลอาร์ وَمَنْفِينَ ه ِّ ب َ ل ْ آ ت َ ي ْ ن َ ا هُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ا ل ل ه ُ أ َ ك ْ ب َ ر و َ ل َ وِتَابَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ ل َ ف َ س َ د َ ت ِ ا ل س َّ م َ ا و َ ا ت ُ وَالْأَرْضِ و َ م َ ف ِ ي ن َ ب َ ل َ أ ت َ ي ْ ن َ ا ه ُ م ْ بِذِكْرِهِمْ فَأَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْذِكْرِهِمْ م ُ ع ر ِ ض ُ و ن َ الحَمْدُ لِلَّهِ ن คุรานทุกวัตทุกตอนทุกคําเป็นเรื่องจริงทั้งหมดและโลกเดินตามใบนี้โลกเดินตามอายน่นี้เดินตามทุกอายะกับคุรานโลกใบนี้พี่น้องเอามาดูเราแปลว่าถ้าหากอิตตาบะอาแปลว่าเดินตามหรือปฏิบัติตามหรือคล้อยตามอัลฮักกุความจริงถ้าหาก ความจริงเดินตามหรือคลอยตามคลอยตามอะไรครับอาหัวอารมณอาหแปลว่าอารมณ์ถ้าากเอาทิ้งความจริงและไปปฏิบัติตามอารมณ์เป็นยังไงทิ้งความจริงความจริงมาจากไหนไปนองครเป็นเจ้าของความจริงอัลลอฮ์นบี คุรานเป็นความจริงหมดเลยทุกอายะทุกตอนเป็นความจริงทั้งหมดไปเนอะท่านอบีุลมฮัมหมัดเนี่ยเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์นำเอาความจริงมาสอนบนโลกใบนี้ฉะนั้นใครก็ตามที่เอาความจริงมาใช้ในชีวิตประจําวันแบบไซนาอุมัดแบบไซนาอุมัดขนาดเป็นคอล์ิฟ้าปกครองประเทศสิบสองปีไม่ได้สะสมวัตถุเอาไ้เลยไปเนอะง พระราชวังก็ไม่มีมีขออธิบายเด็ดนี่อะไรประเทศเมืองกิสซรอเนี่ยมาถึงโคโรสโคสพวกเปอร์เซียเนี่ยไปน้องโรมตัวแทนมาพบไซนาอุมตรเพราะเป็นคอลิฟะพอมาถึงภาพใส่มงกุฎมานะตอนเดินมาใส่มงกุฎพระมงพาหมายยงลอเลยไปน้องเพราะว่าถึงนครมริดาช้ามว่า ไอ้น่อคอสเรลคอรีฟ่ปราสาทของคอริฟ่าอยู่ที่ไหนบอกว่าไม่มีเขาเขาเ็นนึกภาพเลยไปพิชิตเมืองอ่ะหนึ่งพันกับสามสิบหกเมืองอ่ะสร้างมัสยิดในโลกสี่พันมัสยิดแต่ปราสาทของกษัตริย์ไอ้ของคอริฟ่าอุมัรไม่มีอา้าวแล้วบ้านเขาอยู่ไหนล่ะเขาบอกเขาพาไปดูบ้าน ทำจากดินน่ะอ้าวนี่บ้านก็นี่บ้านคุณริ้าไฟเลยเนี่ยอ้าวไปเคาะประตูลูกชายโผล่หน้านางก็ถามว่าพ่อไปไหนคุณริ้วไฟไปไหนอยู่อยู่ที่มัสยิดมึงเ <c ười> อาไปดูจะไม่มีอ่ะทําไม่มีก็อยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวนอนอยู่โคน ต, ต้นไม้หรือเปล่าเราไปดูสิพอไปเดินดูไปเดินนอนท่านนอนอยู่โคนต้นไม้แล้วก็ใส่เสื้อเกาๆแล้วมีรอยปะด้วย ไอ้คนที่ถูกส่งไปจากประเทศปเปอร์เซียนะมองภาพเนี่ยตรงนี้รถเบนอย่างดีต้องมีปราสาทอย่างดีอลัลลอนึกภาพผิดหมดเลยพี่น้องไปเจอคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่ยึดประเทศไปแล้วหนึ่งพันยี่สามสิบหกเมืองสร้างมัสยิดสี่พันมัสยิดคนรับอิสลามกันเต็มไปหมดพี่น้องแต่หวัวหน้าอยู่อยางงี้เลยเนี่ย นั่งอยู่ออฟฟิศเป็นมัสยิดเป็นวัดอะไรเห็นไหมเป็นนองเห็นยังครับนี่ง่ะไดีนาอุมาร์เป็นนองครับนี่งเป็นความจริงเอาวันนี้รัฐบาลไทยก็แล้วกันเป็นนองรัฐมนตรีเก่าๆที่ที่หมดอายุไปแล้วก็เช็คบินตัวเนี้ยสามรอยห้าสิบล้านห้าร้ยล้านพันล้านเป็นนองเอามาจากไหนนะเพื่อนบุคคลแก่สิบเดือนสิบเอ็ดเดือนปีสองปี นั่นของจริงครับไซนาอุมัดเป็นของจริงท่านอบูบักเป็นของจริงนบีอุมัดเป็นของจริงเป็นบุคคลตัวอย่างมีอะไรไม่ไปเนาะเอาเล่าอีกครัง้งหนึ่งวันตายมีเหลือกี่อย่างสี่อย่างหนึ่งอะไรบ้านที่ทํามาจากดินสองอะไรล่อหนึ่งตัวสามเสื้อผ้าเก่าๆเรามีรอยปะสี่มีแสเอาไว้ปลุกคนละมาดนี่สี่ข้อเอเ้ไปเนองปกครองมากี่ปี สิบสองปีถ้าพวกเรา <c oughs> นี่ไงทั้นของจริงพี่น้องครับอันนี้วาลาวิตตาบาลฮักกูอหวอาุมและถ้าความจริงต้องคล้อยตามอารมณ์ต่ำของพวกเขาให่นไหมถ้าพวกเราฝังคนี้ยืนหยัดในความจริงโลจะสง่างาม สามารถเล่าให้ใครฟังก็ได้แบบสง่างามเลยเรากล่าแมสนาวะมัสเล่าได้อย่างดีพี่น้องท่านอับดุลเบียตอนเสียมีอะไรครับไม่มีอะไรเลยท่านอบบุบักไม่มีอะไรเลยพี่น้องแต่ว่าเขาสร้างผลงานเอาไว้อดรอพี่น้องครับวันนี้ชาวโลกตรงโอ้ยไนาอุมะมอย่างงี้เลยเจ้เนี้ยอะไรอ่ะหนึ่งพันสามสิบหกเมืองมัสยิดอีกสี่พันแหง่งนี่คงเคสนี้ไม่จบนี่ ครึ่งสุรามไม่ถึงเนี่ยใช่ไหมชนะอุมะตาลายส0 0พมัสยิดสร้างปับปับปับปับริสกีมามาจากประชาชนพี่น้อง้เหลายครับเห็นไหมเอ้ามาดูวาลาวิตตาบาลฮักอูและถ้าความจริงนั้นต้องคล้อยตามอารมณ์ตามของพวกเขาพี่น้องลาฟาสาดาติลาฟาซาดาติสามาวตวลลาฟาซาดาตแปลอะไรนะ เสียหายเอาหลอดไปน้องเสียหายอะไรก่อนไปน้องอสัสมวาว่ทาทั้งๆที่ความชั่วนอยู่แผ่นดินใช่ไหมพี่น้องคนอยู่บนหน้าแผ่นดินแต่เวลาเอาความจริงโยนทิ้งเอาความเอาอารมณ์ของมนุษย์มาใช้แทนอะไรเสียหายก่อนไม่ใช่แผ่นดินเสียหายดูคุณอ่านในใบเสียครับอัสมาว่าข้างบนเสียก่อนเห็นไหม เนี่ยคิดตามกุารานอ่ะคนทำความชั่วอยู่บนโลกดุญญนยาใบนี้ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งใช้อารมณ์เป็นหลักทิ้งหลักความจริงใครเสียหายก่อนครับอัสมาว่าข้างบนเสียก่อนี่น้องเดี๋ยวไม่ช้าเห็นนะเนี่ยดุนยาใบนี้ชันฟาจะพินา่าทเพราะความชั่วใช่หรือไม่ใช่วันนี้นะเราประคองกันอยู่นะใครประคองครับ พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่เดินประวัตอยู่ที่กาเบาะอัสตัฟิรุลลอออัสตัฟพอกเรานั่งอยู่มัสดิดกล่าวอัสตัฟิรุลลออปากของโลกดุนยานี้ไม่ให้พังไหวขึ้นใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับทีนี้อะไรพังก่อนชั้นฟ้าพังก่อนเห็นไหมเพราะความชั่วของมนุษย์ชั้นฟ้าพังก่อนเจ็บอะไบ้างให้ฝนตกลงมาใช่ไหมสมัยในบีนวัวนะ่ะอะไรตรงครับฝนตกลงมาคนตายไหมแต่ เพราะคนข้างล่างมันเลวเพราะเอาความจริงโยนทิ้งเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่คุารานอธิฐานอย่างนี้อัฟารา่ไอแต่พวกท่านเคยอ่านกุณอ่านเคยเค ย, เคยคิดไหมคนที่ยึดเอาอารมณ์เป็นใหญ่กว่าคําสั่งของอัลลอฮ์เคยสังเกต ด, ดูพวกเราวันนี้ที่มานั่งอยู่ในมัสยิดนี้พี่น้องเราฝึกชีวิตของเราเราเหยียบอารมณ์เราใช่หรือไม่ใช่ ถ้าไม่เหยียบนมาได้ไหมเนี่ยนอนกับลูกขึ้นอะไรอะไร่อยอะไรก็กันนอนะไรกว่าแต่นอนอยาาเยอะแต่เราเหยียบอารมณ์ไปน้องพอเหยียบปั๊บเนี่ยอีหมานมายาสานมายาตีนมาอิคลาสมาอัครดับบีมาญาติมาเต็มเลยไปน้องอาคีรอมาหมดเลยแต่ถ้าปฏิบัติตามอารมณ์ปับ๊บฉันไม่ตื่นฉันจะนอนอะไรมาครับ ดุลยามาเตจมเงินมาผู้หญิงมาอารมณ์เซ็กมาเต็มเลยพี่น้องนี่ไงพี่น้องนั่นเอาความจริงเก็บเอาไว้เอาอารมณ์โยนทิ้งไปให้หมดอา้าวพูดง่ายๆสามีภรรยาที่ทะเลาะ ก, กันเพราะความจริงหรือเพราะอารมณ์ท่านจะเิมครับอารมณ์เพราะอารมณ์สามีภรรยาทะเลาะ ก, กันเพราะอารมณ์แต่ถ้าเอาความจริงมาใช่แหละเอาซู น, น่านาบีมาใช่อลัลลอฮ์พี่น้องด้วย เอาอัคราของท่านนบีมาใช้ส ง, งางามไหมไม่ทะเลาะกันเลยนบีมีภรรยาจงหลายคนทะเลาะกไปไปันปะไม่มีก็มีบ้างกันเล็กน้อยพับประรูตพบพาตัวเลยอัสตัค ฟ, ฟิรุลลอฮฺอัสตัคฟิรุลลอฮฺไปเนาะฉะนั้นสามีภรรยาทะเลาะ ก, กันเพราะอารมณ์อิจฉาโกรธโมโหผูกพยาบาทเอาชนะมาชาวไซต์ต้อนหมดเลยไปเนองอาสเกตนะผมให้เขาคิดอย่างนี่ยนะการง่วงนอน ที่มาจากอัลลอ์กับการง่วงนอนที่มาจอไซตตอนน้องสังเกตได้ไหมผมเพิ่งสังเกตได้สักหกเก็ดเดือนเนี่ยสังเกตนะแต่จริงด้วยง่วงนอนที่มาจอไซต์ตอนสังเกตถ้ากาลังสอนศาสนากาลังสอนเรื่องคุณธรรมเรื่องความดีเอาสุนทรณะดีมาสอนคนหลับขุดบ้านวสัสดุก็เหมือนกัน นั่งลับเราจะโทษอีหม่างอย่าโทษได้โทอว่าง่วงนอนขณะที่เขาทําความดีขณะสอนทำง่วงหลับนั่นมาจากอะไรชายตอนหมดเลยสังเกตชายตอนเขาสอนความดีก็อยู่สอนอุราอยู่เลยมันนั่งหลับเอาความการง่วงนอนที่มาจากอัลลอฮ์ต้องสังเกตนะแต่หากเราเครียดมากๆากพี่น้อง พอหัวถูกหมอนหลับเลยนี่มาจากไหนครับอัลลอฮฺสักเกตเรื่องที่สองมีความกังวลใจกลัวเป็นกัวนี่ไปน้องเป็นทุกข์ไปหมดเลยพอหัวถูกมอนอ่านอุลุมอุลาเรียบร้อยหลับเลยไปน้องในสมัยท่านนาบีเวลาทําสงครามสอบ้านนบีไปน้องในสงคราม บ, าดาาบัดด้ามีอูฮุดบีไปน้องอัลลอฮฺให้ฝนตกลงมาสอบา้านหลับกันหมดเลยไปน้อง นี่เป็นความหลับการง่วงนอนที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาละสเกตพี่น้องอัลลอฮฺเมตตาใครจะให้หลับเรื่อยพี่น้องผมนึกถึงคุณแอนนะคุณแอเราจะเสียชีวิตเราเนี่ยนั่งรถพับหลับเลยฉะนท่นคนที่หลับง่ายนะพี่น้องแต่ไม่ใช่หลับตอนนมาดไม่ใช่หลับตอนฟังศาสนาไม่ใช่หลับตอนอ่านกูนอ่านไม่ใช่หลับตอนฟังกระดิษท่านหลับตอนฟังกะดีษแสดงว่านี่มาจาก ชตต้องอ่านง่ายอุบิ ล, ลฮิมินชัยอนิรีนบีแนะนำนะทานนั่งในมัสยิดหลับนี่ทำไงให้เปลี่ยนที่เพราะที่ตรงนี้ใช้จอนจองแล้วเปลี่ยนที่ไหม <c oughs> นี่ไงเรียนาศาสนาพี่น้องครับฉะนั้นวลาวิตาบอลฮกอฮวอุมและถ้าหากความจริงนั้นต้องคล้อยตามอารมณ์ต่ำของพวกเขาแล้ว ลาฟาซาดาติสสามาวัตวัลอัตชันฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและที่อยู่ในชั้นฟ้าที่อยู่ในระหว่างทั้งสองนั้นต้องเสียหายแน่นอนเอาล้อเออแล้วก่อนก็เออชั้นฟ้าก่อนคนชั่วอยู่ข้างล่างพอเอาล้อจะทํำลายทําลายแล้วก่อนนะชั้นฟ้าก่อนเห็นไหมพี่น้องสังเกตให้ดีนะอ่านกุณอ่านได้ข้อคิดไดพี่น้องตัลงว่า วันนี้เนะี่ยพวกเราเนะี่ยยืนหยัดกับความจริงใช่ไม่ใช่ถ้าไม่ยืนหยัดป่านนี้เนะี่ยเกียรติมาแล้วใช่หรือไม่ใช่อ่าวันนี้อัลลอฮ์ประคองอยู่เราเพราะเราเนี่ยยืนหยัดกับความจริงพี่น้องเราเหยียบอารมณ์นะมานั่งอยู่ในมัสยิดนี้เนะี่พี่น้องต้องเหยียบไม่รู้ว่ากี่อารมณ์พี่น้องอัลลอฮ์อัลบาดและอัลลอฮ์ให้รางวัลตอบแทนให้ความดีคงอยู่ต่อมาครับบัลอาตายนาฮุมบิดิคริฮิมตรงกันข้าม อาไตนาฮุมเราได้นำมาให้พวกเขาบิวิคริซิกเนี่ยแปลว่าข้อตักเตือนซิกเ ก, เกตซิกตรงนี้แปลว่าข้อตักเตือนซิกเก็ตพอนึถึงอัลลอ์น่ะแปลว่าข้อตักเตือนอัลลอฮ์นำเอาเรื่องเหล่านี้น่ะมาเล่าให้พวกเขาฟังเพื่ออะไรไปน้องเพื่อให้เขาได้ใช้ปัญญาได้นึกเพกราะอกุรอานอายาที่ที่ผ่านมานะ อฟลัมยัต ด, ดับบรุลเกาลทำไมท่านไม่พิจารณาถ้อยคำของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ส่งผ่านนาบีมุฮัมมัดมาแต่ละข้อแต่ละข้อถ้าพิจารณาพี่น้องพี่น้องจะเพิ่มพูนอีมานตลอดเวลาบัลอตาตัยนาฮุมบีดีครีหมตรงกันข้ามเราได้นำข้อตักเตือนของพวกเขาให้กับพวกเขาอัลลอฮ์เมตตาครับ ฟาหูมอริคือริหิมมัวริดูมวอวริดแปลว่าหันห่างแต่พวกเขายังเป็นผู้หันห่างจากข้อตักเตือนของพวกเขาให่ไหมอัลลอสอ่แล้วพ่อกรุณาเป็นสัจธรรมเป็นฮักที่มาจากชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดพี่น้องเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแต่คนส่วนใหญ่นี่ไม่ได้สนใจนะครับเอาต่อมาครับ อายาที่เจ็ดสิบสองย่งสุดท้ายพี่น้องสะเกตนะครับพวกพวกต่อต้านอิสลามเนี่ยพูดทำลายอิสลามตลอดพูดว่างี้นบีมุฮัมมัดเสียชีวิตจะมีคนตกมุรตัดซอบ้านนบีตกพิธาราพูดทุลาอิสลามแต่คุณอามบอกไม่ใช่ไม่มีใครตกมุรตัดมีแต่คนเข้าหาศาสนาของอัลลอฮ์เพิ่มขึนใช่หรือไม่ใช่ วันนี้ประชาชนประชาะชานมุสลิมของเราเยอะมากครับพี่น้องเห็นไหมยาตูลูนอาฟีดีนิลไลอะกวะยะผู้คนเนี่ยจะเข้ามาเรียนศาสนามาอยู่ในศาสนานี้เ ป, นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ไงพี่น้องครับอัสไตนาฮุมบิดิกริฮิมอัลลอฮ์เราได้ทําข้อตักเตือนของพวกเขาให้พวกเขาเราต้องเอาข้อตักเตือนเหล่านี้น่ะไปสอนคนอื่นๆือีก ให้เขาได้เข้าใจอิสลามด้มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในศาสนาอันประเสรฐอันนี้มีผลลบุญเยอะพี่น้องนะต่อมาครับอัมตัสอาลูฮฺขจรจาอัมตัสอาลูฮมขจรจาฟะขอรจาบิกะขอยร์วาหุวาขอยร์ราซิกีน อัมตัสอลูหุมขรจาฟัขรจาจรรบบค์ขยร์วัหวว้คยรรกีนอะยาสุดท้ายเป็นน้องครับอัลละถามว่าที่ฉันส่งมูฮัมมัดมาให้คุรานให้กับท่านนาบีมันมามาสอนพวกคุณเนี่ยเทียบพวกคุณปฏิเศธหันหลังให้เนี่ยเพราะอะไร อัลล์ถามยัสูท้ายบอกว่าอัมตัสอัลูหรือว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยซาอาลยัสอุสัยบว่าขอหรือว่านบีมุฮัมมัดที่มาทำงานศาสนา23ปี13บสปีที่นครมักมกะสิบปีที่นครเบญ่าเนี่ยเคยขอเงินเดือ น, นจากพวกคุณไหมเคยขอค่าใช้จ่ายไหมเคยขอค่าตอบแทนไหมอัลลอ์ถามครับ ถามคนที่ปฏิเสธกุรอ่านเนี่ยปฏิเสธศาสนาเนี่ยทั้งว่าเบาของฉันชื่อมุฮัมมัดเนี่ยเคยขอได้พวกคุณไหมไม่เคยขอเลยนบีไม่เคยขอเลยไป ท, ท่้งทงทั้งที่นบีมาจากครอบครัวกำพร้าพ่อตายแม่ตายแต่เอาล่อยกนบีให้แต่งงานกับใครทานหญิงขอดีอย่มหาเศรษฐีคนหนึ่งมหาเศรษฐีนี่อะขอได้เงินคุณ ใช่ไหมนี่อลัลลอฮสอนในท่านอย่าคิดเรื่องเงินอย่าคิดเรื่องเงินบางคนวะท่านเป็นมุสลิมได้อะไรอ้าวคุณได้อีมานนะดีกับเงิ น, นเยอะใช่ไหมได้อีมานได้ตกากัาได้อียาสานได้ยากินได้อิคลาสได้อักลาสท่านนาบีไม่ดีเลยเอาเงินอะ่อนอะอลัลลอฮก็ย้อนถามว่านาบีมุ่อมาที่ชั้นแต่งตั้งมามาสอนศาสนาเนี่ยเคยขอค่าใช้จ่าย ขอค่าตอบแทนจากพวกเขาไหมอุลมะอธิบายต่อเขาบอกว่านะคนที่สอนศาสนาเนี่ยไ ม, มไม่เหมาะที่จะหาค่าตอบแทนไม่เหมาะที่จะหาค่าตอบแทนแต่อุลมะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ในโลกก็อธิบา ย, ยานี่ค่าตอบแทนของอุลมะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่าสอน ค่าเดินทางของเขาเสร็จเดินทางไปสอนท่านถึงบ้านใช่ไหมยังมีค่าโน่นค่านี้ค่าเหนื่อยค่าตรงเวลาเขามองไปตรงนั้นไม่ได้มองเป็นค่าสอนเพราะค่าสอนนั้นเอาเอาจะขายนะเอารางวัลจากอัลลอฮฺสุพานณหัวใจยิ่งใหญ่มากเลยพี่น้องพี่น้องมีลูกสาวอะ่ะต้องเรียกสินสอนใช่ไหมแต่นบีวา่มามาฮัตมาฮัตแปลว่า ของที่ผู้ชายจะต้องมอบให้กับฝ่ายหญิเรียกว่ามหัศถ้าสินสดนี่แปลว่าข่าน้ำนมที่แม่เลี้ยงลูกสาวคนนี้จบเป็นยาโทมียาตรีมาข้าจ่ายเขาเรียกแบบสองล้านนั่งเขาเรียกสินสดอย่างที่ในอิสลามอธิบายยังไงใช่ไหมเลี้ยงลูกของเราให้เป็นลูกที่ซอและให้เป็นลูกที่ซอหรฮะแล้วก็หาสามีแต่งงานให้รางวัล น, นั้นเอาจากใครอัลลอฮฺสุบฮฺบะฮาณีหุวาตาแต่คนฝังกนันนู่น อ้าจะอาลูสาวฉันยัมั่งฉันดูแลมันอย่างดีขอสองล้านทองร้อยบาทอ๋อโลเพชรราคาคนฝังกระนวลเขาทากันฟงฝังคนนี้ผูกพันกับอัลลอฮ์ฉันหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ที่เลี้ยงลูกเป็นเบาที่ดีของอัลลอฮ์กว่าทั้งไปสวรรค์อัลลอฮ์ตอบแทนแน่เพราะนาบีพูดไว้แล้วใครที่ดูแลลูกใหญ่ดีมีอีมานเขาจะได้สวรรค์เป็นการตอบแทนใช่หรือไม่ใช่นี่ไงพี่น้องครับอัมตัสอาลูฮุม ขอรยาหรือว่าท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยได้ขอค่าตอบแทนค่าจ้างในการสอนศาสนาจากพวกท่านจากจากพวกเขานาบีมุฮัมมัดไม่ได้สอนศาสนาเพื่อค่าจ้างเลยคำคำสรุปนะครับฝาคอรอ์อยูรอ บ, บิกคอยแตกคอร์ร์แปลว่าค่าตอบแทนรอป บ, บิกแปลว่าพระผู้อธิบาลคอยรุนเบวอดีเลดิด ค่าตอบแทนของพระผู้อาภิบาลของท่านนั้นเลิศกว่าดีกว่าดีกว่าเงินอะไรครับรางวัลของอัลลอะฺเป็นรางวัลสวรรค์นันไม่ดีเลยอัลลอฮฺไปน้องอา้าวลาดูสวรรค์นิดนึงอัลลอฮฺเอาสิทัตของนบีกี่คนหกคนสิทัตเด่นๆ น, นะไปบรรจุไว้ในคนชาวสวรรค์ ความสูงเหมือนใครครับเหมือนนบีอาดัมโอ้โห و, สูงดูต้นมะพร้าวอะ ไ, ไปต้องเลยนั่นแหละสงงานะ่าดูเลยนั่นคนในสวนสวรรค์ความสูงของนบีอาดัมความลอของนบีอะไรนบียูนสอบียูซุฟอไรสลามโอ้โลอมดเลยไอตอนตายนะ่ีหยวหน้าย่นไปน้องแต่บอเข้าสวรรค์เฮ้ยนี่สามีฉนันนะเนี่ย อัลลอฮ์ทำไมเป็นอย่างงี้อัลลอฮ์สดาจสดายันที่สามหัวใจของเขาพี่น้องนึกถึงอัลลอฮ์แบบนบียูนุสอะเลฮิสซาลามอัลลอฮ์พี่น้องข้อที่สี่พี่น้องครับพูดพู ด, พ, ด, พ, ดพูดภาษาที่พูดพี่น้องเหมือนนบีดาวูดอะไรที่พิจาวูดเนี่ยทรงสัตว์มึนได้หมดเล ย, เล ย, เลยใครพูดเด็กเข้าใจหมดเลยพี่น้องเห็นไหมพูดไพเราะหวานอาจารย์ วันนี้เราเอาอักลากของชาวสวรรค์มาใช้บ้างไปน้องอย่าไปรอบใช้ในใช้บนโลกปุญญาดีกว่าอนนี่าไปสวรรค์ง่ายี่น้องข้อที่หข้อที่หกี่น้องอัครากของใครครับของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่ามฉะนั้นอักราของนบีคืออักลากที่เด่นที่สุดอัลลอฮ์เอาสี่ัตของนบีหกท่านไปไว้ในคนนายสวรรค์พี่น้องหกรายการหนึ่งความสูงของนบีอาดัม ความหล่อของน บ, บียูนุสอะลัยฮิสลามภาษาแบบน บ, บีดาวูดหัวใจแบบใครนะับแบบน บ, บียูนุสอะลัยฮิสลามแล้วก็อีกข้อหนึ่งมารยาแบบน บ, บีมุฮัมมัดแต่อีกข้อหนึ่งอะไรนะลือไปแล้วเอาไม่เป็นไรไปนองเอ้านะครับฮะครับ ฝาคอรออยุรอ บ, บีกคอยค่าตอบแทนของพระผู้อาภิบาลของท่านนั้นเลิศกว่าดีกว่าใช่ไนมครับเอารางวัลจากอัลลอ์ดีกว่ า, า, ว า, AH วาพี่น้องนะเลี้ยงลูกสาวให้โตให้มีอิมานแล้วเอารางวัลจากอัลลอ์พี่น้องวาฮูวาคอยรุรอซิตีและพระองค์ทรงเป็นเลิศ แหงมูผู้ประธานเครื่องยำชีพที่ดีที่สุดอลัลลอฮ์องเดียเป็นน้องคนอื่นไม่เกี่ยวลาดอุซาตัวตะเกียรช่วยได้ไหมไม่ได้เป็น้องขวังจากอัลลอฮ์เนี่ยที่เรายืนนมาที่มัสยิดหวังละวันตอบแทนจากอัลลอฮ์เดินมาออกจากบ้านคุมอารมณ์หวังระวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ควบคุมอารมณ์หวังระวันตอบแทนเพราะนี้เป็นหลักฐานคอร อ, อยู่รอบบีกะคอยข่าตอบแทน จากพระผู S <S <ess> ้อภิบาลของท่านนั้นดีที่สุดนาอาจากคนทำไ้ไปนอะเห็นไมนี่ไงอ่านกุรอ่านบุออัลลอ์เปิดสมองเราไปเนอะไปเนองครับดังนั้นยึดสุนนะของท่านนบีเอาอัคาของบรรดาซอบ้งของท่านนบีมาใช้ในชีวิตประจาวันนะครับสุภาพนักอัลลอฮุมมาบัญัมดกสุเวลีละอิลลัออิลลัลออัสตักฟิรุกบอบยอสซาลมุะลัยมะร์มุลลอฮ์วะบรกต